วันนี้เป็นวันพระใหญ่นะแล้วก็เป็นวันพระที่สําคัญนะสำหรับชาวพุทธด้วยสําคัญยังไงนะบางคนทุบไปถึงวันลอยกระทงนะลอยกระทงนี่มันไม่ใช่เป็นประเพณีของชาวพุทธนะมันมีความสําคัญสองประการนะสำหรับชาวพุทธก็คือว่าการแรกเนี่ยนะวันนี้เป็นมานสุดท้ายนะของการทอดกระถินนะ การทอกระถินหรือว่ารดูกระถินเนี่ยนะซึ่งมีเวลาหนึ่งเดือนนะหลังจอบรรษาตอนนี้ก็สิ้นสุดในวันเพนขึ้น15คหาคำเดือน12แต่ที่สำคัญกว่านั้นนะสารชาพูดก็คือเป็นวันคล้ายนะวันเปรีิญิพานของพระสารีบุตร พวกเราก็ทราบดีนะว่าพระพุทธเจ้านี่ปรินิพพานวันไหนนะวันนั้นเราก็เรียกว่าวันวิสาขาบูชาวันเพ็ญเดือนหกแต่ว่าน้อยคนนะจะรู้ว่าเนี่ยวันเพ็ญเดือนสิบสองนี่เป็นวันปรินิพพานของพระสัรีบุตรส่วนใหญ่ก็รู้แต่ว่าเนี่ยมันเป็นวันลอยกระทงพระสรัลีปุตเนี่ย ก็มีเรื่องเล่าว่าหลังจากออกพรรษามาได้สามอาทิตย์เนี่ยท่านก็เกิดอาพาธหนักที่จริงอาพาธมาก่อนหน้านั้นและแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยท่านก็รู้ว่าจะอยู่ได้อีกเจวันเพราะอาพาธหนักมากก็เลยนึกถึงโยมแม่นะ ยมแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจพุทธศาสนาไม่มีศรัทธาในพระรัตนต ร, ยยรัยเลยพระไตรลัยบทเนี่ยท่านเป็นผ้าหลันก็จริงนะแต่ก็มีความกตัญญูรู้คุณโยมแม่แล้วก็คิดว่าอยากจะ น้อมใจของโยโมแม่เนี่ยให้มามีศรัทธาในพระรัตนตรัยถ้าท่านก็พิจารณาอย่างดูก็เห็นว่ามีโยโมแม่นี่มีนิสัยที่จะเห็นธรรมได้ก็เลยตัดสินใจนะว่าจะกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนารักกะแคว้นมคธนะเพื่อจะไป แสดงธรรมให้โยมแม่ได้เห็นธรรมก็เป็นงานใหญ่นะเพราะว่าตัวท่านเองก็อาพาธมากแล้วก็นารการนี่ก็อยู่ไกลนะจากเชตวันนะตอนนั้นท่านอยู่เชตวันแต่ว่าก็เห็นว่าเนี่ยเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนั่นก็เลยทูลานะเพื่อเจ้าแล้วก็ขอเข้ามาพระพุทธองค์ จากนั้นก็เดินเท้านะนึกภาพนะคนป่วยเนี่ยอายุก็มากแล้วเดินเท้าไปเมืองนารกะอบ้านนารกะแต่ว่าท่านก็มีความตั้งใจนะแล้วก็คงอาศัยธรรมะด้วยแล้วนะั้นเป็นธรรมโอสถประคองสังคารของท่านเนี่ยไปจนถึง บ้านนารกะระหว่างทางนี้กันก็แสดงธรรมด้วยนะแสงธรรมโปรดญาติโยมเรียกว่าแม้จะอยู่ในระยะสุดท้ายนะนะก็ก็ยังมีเมตตานะต่อเพื่อมนุษย์นะต่อสรรพสัตวนะ์แสดงธรรมให้ผู้คนได้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรยัยจนทั่งถึง บ้านเกิดนะโยมแม่เห็นเนี่ยก็ดีใจนะแล้วก็เข้าใจว่าเนี่ยลูกชายเราบวชมา 4, 4, สาี่สบสี่พรรษาตอนนี้คงจะอยากจะศึกเต็มทีแล้วก็มังนะจึงกลับมาบ้านเกิดดีใจนะแล้วเข้าใจว่าลูกเนี่ยนะจะกลับมาศึกนะก็ต้อนรับอย่างดี แต่ก็เห็นลูกชายเนี่ยนะอ า, าพาธมากก็เลยให้พักอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปดูแลบอกว่าไปเห็นนะเห็นเทวดาจำนวนมากเลยมาเฝ้าพระสรัทุตรมีท้าจากตุโลกบาล น, นะมีพระอินทร์มีเท่ามหาพรหม เพราะว่าห้องพักเนี่ยของพระไตรปิฎสว่างสวยกลางดึกเลยเนียแล้วเมื่อรู้ว่าเทพเทวดาเหล่านั้นเนี่ยมาน้อมคํานับพระไตรปิฎกและยิ่งมารู้ว่าเนี่ยเทวดาเหล่านี้เนี่ยมีความเคารพพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระไตรปิฎกอีกก็เริ่มเกิดศรัทธานะทั้งในพระพุทธเจ้าและในพระไตรปิฎก พอเกิดศรัทธานี่ใจก็ค่อยๆเริ่มเปิดรับพอใร้บุรนี่ท่านก็อาภาันมากแต่ก็แสดงธรรมนะพูดถึงพระคุณของพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาธรรมะที่ท่านเนี่ยได้รับรู้มาเผยมาแสดงให้กับโยมแม่โยมแม่ซึ่งมีศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยก็น้อมใจพิจารณาตาม ในสุดเนี่ยก็มีดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดา บ, บรรันก็นับว่าสมความตั้งใจของพระไตรปบบิตรเพราะว่าการตอบแทนบุญคุณแม่นี่ในทางศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรประเสริฐเท่าการน้อมให้ท่านเนี่ยเห็นธรรมอย่างพูะเจ้าเนี่ยตรัสว่าเนี่ยแม้จะเอาพ่อแม่ นะแบกบขึ้นบาข้างสองข้างแล้วก็ปรนนิบัติจนท่านอายุครบร้อยปีปรนนิบัติบนบานะยากแค่ไหนนะให้อาหารให้น้ำนะชาระร่างกายแมนะจะทําอย่างนั้นเนี่ยร้อยปีก็ไม่ประเสริฐเท่ากับการทําให้ท่านเห็นธรรมเรียกว่าตอบแทนบุญคุณท่านไม่หมดนะจนกว่าจะทําให้ท่านเนี่ยได้เห็นธรรม อย่างน้อยก็มีศีลนะมีจาคะมีปัญญามีศรัทธาน่าสีประการนี่สำคัญและบอกว่าพระไรปิฎกนี่ก็สามารถทำให้ยอมแม่เนี่ยได้มีคุณธรรมทั้งว่าอธิวาได้แล้วก็ยิ่งนะคือปัญญานี่ก็เห็นธรรมแจมแจ้งเป็นพระสดา บ, บันก็เป็นนั้นว่าเนี่ยในววลาสุดท้ายของพระไตรปิฎกนี่ ก็ได้ทำประโยชน์นะอย่างมากเลยนะให้กับโยมแม่ผู้ให้กำเนิดเสร็จ แ, แล้วไม่นานนะท่านก็ปรินิพานนะวันเพ็ญเดือน12นะวันนี้เนี่ยพราะนั้นเวลาเราเห็นประจันตเต็มดวงนะก็อย่านึกถึงวันอย่านึกถึงแต่วันลอยกระทงนะให้นึกถึงวันสำคัญนะที่เกิดขึ้น ในชีวิตของพระสายบุตรนอกจากท่านจะปรินิพพานในวันนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้สำเร็จกิจอันยิ่งใหญ่ในฐานะผู้เป็นลูกนะก็คือทำให้โยมแม่นี่ได้เห็นธรรมแลวเกิดปัญญาสว่างสวนะคงไม่ต่างจากดวงจันทร์ในวันเพ็ญนะตอนนี้วันลอยกระทงเนี่ยนะอ่มันก็ธรรมดานะที่ผู้คนนี่นะจะ มีความตื่นเต้นดีใจเพราะว่าไม่ได้ฉลองลอยกระทงมาเต็มที่มาสองปีแล้วนะปีนี้หลายคนก็หลายที่หลายแห่งก็เตรียมจัดงานวันลอยกระทงกันนะเป็นงานใหญ่เลยแม้กระทั่งท า, งามาไฟหวาเนี่ก็เห็นทำเวทีนะเตรียมเฉลิมฉลองกันสนุกสนานกันในคืนนี้นะที่ริมเขื่อนนะที่อื่นก็เหมือนกัน าการสุขสนานนี่ก็ต้องอย่าลืมและต้องมีความไม่ประมาทด้วยนะเพราะหลายคนเนี่ยนะอยากจะสนุกให้เต็มทีห่หลังจากที่ไม่ได้สนุกมาสองสามปีแล้วอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความลืมตัวได้จําได้ไหมเมื่อสองสามเมือ่อสองาทิตย์ก่อนนะหรือเกือบสองอาทิตย์ก่อนนี่นะที่เกาหลีเกิดอะไรขึ้นนะ มันมีการฉลองสนุกสนานหนึ่งในวันฮาโลวีนมันเป็นงานใหญ่ของเกาหลีแต่ว่าไม่ได้ฉลองมา2ปีแล้วเพราะโควิดนะระบากคนก็รอวันนี้นะรอเฉลิมฉลองพอถึงวันนั้นเนี่ยนะโอ้ก็มากันใหญ่เลยเรียกว่าปล่อยผีก็ว่าได้นะเพราะาอัดอั้นมานานอัดอั้นมา2ปีคนเป็นแสนบอกว่าเหยียบกันตายนะ ร้อยห้คนวันเฉลิมฉลองวันสงสารก็เป็นวันสงนาตกรรมอันนี้เพราะว่าตั้งใจจะเฉลิมฉลองกันอย่างสุดเปียงนะเพราะว่าอัดอั้นมานานคนไทยเราก็อัดอั้นมา2ปีเหมือนกันนะว่ากระทงไม่ได้ฉลองกันเต็มที่ก็ต้องระวังนะยิ่งเฉลิมฉลองสงสารมากเท่าไหร่ยิ่งต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะไม่งั้นเนี่ยวันสนุกจะกลายเป็นวันทุกข์นะ วันเฉลิมฉลองจะกลายเป็นวันสรงนาตกรรได้ง่ายเหมือนกับที่เกิดขึ้นในหลายที่รวมทั้งล่าสุด ก, ก็เกาหลีนะ